อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอวบัดคือ416 1. ภิกษุเดินทางโดยไม่ได้ชักชวน 2. มาตุคามชักชวนแต่ภิกษุไม่ได้ชักชวน3าภิกษุไปผิดเวลานัดหมาย 4. ภิกษุผู้เดินทางกับมาตุคามในคราวมีเหตุขัดข้อง 5. ภิกษุวิกลจริตห 6. ภิกษุต้นบัญญัติสังวิธานสิกขาบทที่7จจบ